สมสมุจจะยะขันทกะ 1. สุกะวิสัตถิว่าด้วยวิธีการออกจากอาบัติที่ต้องเพราะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเรื่องพระอุทายีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้า ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แล้วบอกภิกษุทั้งหลายว่ากระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กระผมจะปฏิบัติอย่างไร